แต่มันโง่มันมีอวิชชาครอบครองอยู่เพราะงั้นมันไม่บริสุทธิ์คําว่าประพัดสอนกับคำ ว, ว่าบริสุทธิ์คนละความหมายกันน้ําใสอันนี้ประพัดสอนน้ําใสกลิบเลยถ้างในเต็มไปด้วยเชื้อโรคน้ําไม่ได้บริสุทธิ์กินเข้าไปก็ตายเพราะเราต้องมากลั่นกลอง เอาเชโรออกแข็งใจเรากิเลสออกแข็งใจให้ได้ต้องลงทุนลงแรงทําเอานะอยู่ดีๆมันไม่ดีขึ้นมาหรอกอยากได้ของดีก็ต้องทำครูที่เจ้าก็สอนมา น, านั้นครูบาอาจารย์ก็สอนสืบทอดกันมาพวกเราบางทีฟังธรรมะแล้วก็เฝือเฟือไปไม่ค่อยทำํำถ้าลงมือทํามันก็ต้องดีขึ้นแล้ว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 บ้านเมืองเป็นยังไงนพูดยากเมืองไทยนะเริ่มพัฒนาประเทศนะเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ตั้งแต่รัชากาลที่หพร้อมๆกับญี่ปุ่นของเราโตขึ้นมาหนก็ทำลายกันเองเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะมีบทเรียนเหมือนกันเขาก็ทำผิดพลาดเหมือนกันไปก่อสงครามอะไรงี้เขาก็ทำพลาดเหมือนกัน